แนะนำบทอัลบุรุชบทอัลบุรุชเป็นบทมักกิยาะมียี่สิบสององค์การแกนหลกักของบทก็คือเรื่องของบรรดาเจ้าของหลุมพรางอัสฮาบุลอุดดูดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละด้วยชีวิตในทางของการเชื่อมั่นและการสถาบทนี้ได้ร่วมโดยการสาบานด้วยทองฟ้าและที่เต็มไปด้วย ด, ว, ยดวงดาวน้อยใหญ่ซึ่งโคจรไปตามจักรราศี และด้วยบรรด า, าศาสนาทูดและสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายว่าบรรดาอาจยากรจะต้องประสบกับความพินาศซึ่งพวกเขาจับบรรดาผู้ศรัทธาโยนเข้าสู่กองไฟเพื่อทดสอบการยึดมั่นในาศาสนาของเขาเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณร้ายและการเตือนสมทับแก่บรรดาผู้กระทำความผิดต่อการกระทำอันน่าเกลียดน่าสังเวชของพวกเขาหลังจากนั้นบทได้กล่าวถึงเดชาลุภภาพของอลัลลอ ในการที่จะจัดการกับศัตรูของพรุง่งซึ่งพวกเขาได้ประหัตประหารพวงเบาที่รักแท้ของพรุง่งบทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของฟิรเอาและสิ่งที่ประสบแก่ตัวของเขาและหมู่ชนของเขาคือความพินาดความหายนะอันเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงและความเจยากรานั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ สสขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาย น, า น, าน บรรดาเจ้าของหลุมพรางได้ถูกสาบแช่งแล้วไฟที่เต็มไปด้วยเชืเ้อเผลิงขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับผู้ศรัทธามละพวกเขารู้เนเิ็นยานอิ่ง่บรรดาลูกนอะทำกับผู้ศร และพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลล์ผู้ทรงเดชาลุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริมอผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์แล้วร้อนนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง แท้จริงผู้ที่ประหัตประหารผู้สัธาช า, là, าย te, และผู้สัธาหญิงแล้วพวกเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวนั้น พวกเขาจะรับการลงโทษแห่งนรกยานหนำและพวกเขาจะรับการลงโทษแห่งการเผาไหม้อินนัลลีน่า้านวมรุซลิฮะติุมจันมัตุจริแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายพวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมัน มีแม่น้ำไหลายสายไหลผ่านนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ถ้าจริงการลงโทษของพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นรุนแรงยิ่งนะักแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรกและทรงให้กลับฟื้นคืนชีพอีกและพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ เป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐาาเป็นเจ้าของบัลลังก์อันประเสริฐผู้ทรงกระทาอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ أ ا ได้มีเรื่องราวหพ่นไปยังเจ้าแล้วไม่ใช่หรือของฟิรอาอุและสมุด แต่บรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงแล้วเราสรงห้ามล้อมพวกเขาไว้ทุกด้า น, น ح ح ไม่ใช่ฉชนนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือ คือกราดอันประเสริฐอยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้